o mm oh, -hmm. ลูกใครนอ้อมีัยดีจริงลูกใครนอ้อแม่คงสอนมาดีลูกคืออนุสาวรีย์ของพ่อแม่ถ้าลูกแย่ สเลวไปไหนก็ส่งกลิ่มเมนเหม็นเป็นที่น่ารังเกียจคนเขาก็เดียดฉันว่าลูกใครโนอทำไมถึงเลวจังว่าลูกใครโน่ ทำไมถึงต่ำซ้ำว่ารู้ใครน้อเพ่อแม่ไม่สั่งสอนเดือดรอ้อนถึงบุพก า, ารีแต่ถ้าพ่อแม่สอนเขาดีก็เหมือนมาลีที่ส่งกินหอ ปลูกใครนอ้อนน่ารักจังปลูกใคร น, น้อนิสัยดีจริงปลูกใครนอ้รรนอแม่คงสอนมาดีอยากให้อนุสาวรันนี งดงาต้องช่วยกันสอนต้องช่วยกันปราบยาปล่อยปละและเลยทิ้งควาเด็กๆจะประจานพ่อแม่ตนเองว่าลูกใครใน้นองทำไม<น>ถึงเลวจังว่า ใครหนอทำไมถึงตำ า, า, าลูใครหนอนขอแม่ไม่มมังสอนเดนร้อนพกากใครหนอน ลูกใครนอนิสัยดีจริงลูกใครนอแม่คงสอนมาดีาดลูกคืออันุสาวาลี